เร่องเมต่อกันอีกเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้แพ้ที่ดี เออจากจุดดอนของตนก็ออยามแช่ไขให้จนเช่มนี้จำนานไม่มีคติใดๆมีความเป็นอยู่โดยปกติสุขได้ตลอดเวลาก็บันชํานนาน ตำนานตอทเทมันหลงรู้แล้วตอนเทมันมีปัญหาเป็นปัญญาแล้วเหมือนคิรีมงกลเคยเห็นคิรีมงกลไหมเคยเข้าไหมคิรีมงกลอ่ะลเป็นบุญมหาชาติตัวาลานเขามักจะสร้างคิรีมงกฎ ไอคนไปเดินเข้าไปนี่ว่าทางทำทางเดินเข้าไปทางผิดก็มีทางถูกก็มีถ้าไปทางผิดจะไปตกตรงลกูกถ้าไปทางถูกจะได้ไปสวรรค์หลายคนที่ร้องให้ ไปที่ใดก็กตกนรกทุกที่นี่แร่งศพเล็กศพแรงศพเหล็กกาศพเหล็กมี่ลู ก, นลกคนตกแร่งศพ ก, กาทูกหมาดึงเลือดไหลกันอยู่อยู่ไม่มกับท้าทองแดงนี่ โยมผูาบานถือค้อนํำหลับทำลายอยู่เสมอแล้วเข้าไปถึงที่นั่นก็กลัวหาทางออกเดินวนออกไปก็เดินกลับเข้ามาอีกลองให้ให้คนไปช่วยเหลือโยม ไม่ช่วยตัวเองไม่รู้จัเ ก, กิดดอนมันอยู่ตรงไหนเปลี่ยนพยายามไปอีกสิกรอบออกไปเดินไปสังเกตดูดีๆแต่บางคนก็ไปไ ป, ไปถึงที่นั่นเหมือนกันแต่ว่าพยายามสังเกตจนจนเห็นตรงที่มันผิดมันถูก ไปถูกสวรสดิ์ผ่านแม่หลวงพ่อแม่สะโบกนี่ในหลวงพ่อนั่งอยู่นั่นเทศนาเป็นรูปภาพที่ดีอบน้ำมนให้ก็กราบไหวออกมา เข้าไปอีกตรงนี้แหละมันหลงไม่หลงตรงที่มันหลงไปตรงที่มันไม่หลงก็เหมือนกับเราปฏิบัติธรรมนี่แหละเหมือนกับมรตอรียมที่สาทยายไปนั่นแหละเดินทางทางผิดทางถูก ต, ต่างทางสุดตรงวนเวียนอยู่ไปแล้วก็กออกไม่ได้กลับที่เก่าเจ็บเวลาดนนีมื้อหัดอันผิดและเป็นโคหรือว่าลูกจกจดโดอนของตนหลงพยายามแค่ไข มันหลงตรงไหนมันสุกตรงไหนมันทุกตรงไหนอะไรมันไม่ปกติตรงไหนแค่ไขตรงนี้มันอ่อนแอมันผิดมันจะชํำนานแื่อมันชํำนานก็เหมือนอยู่ในฌานระดับใด ร, ระดับหนึ่ง มันไม่ต้องผิดอีกแล้วความผิดกพ่ให้เราไม่ผิดไม่เห็นความผิดเป็นปัญหาความผิดเป็นปัญญาไปแล้วเมือนอริมาตั้งแต่สมาธทิฏฐิจิตชอบดำริชอบการงานชอบภาพการชอ บ, ชอบตั้งใจชอบ เออต่างๆหมดชำนาญจนถึงจุดหมายปลายทางมีความสุขในานามากายเพราะสิ่งที่ปิดส่งให้ถูกไ ป, รไไปเรื่อยๆไปนี่ว่ามีสมาธิมีสติมีสมาธินั่นแหละ การเดินทางนี่รวมแล้วเป็นอันเดียวเป็นะาวะที่หลงที่รู้ถ้าหลงก็ไปไม่ถูกถ้ารู้ก็ไปถูกอาจจะมาทำกับบาอของเราสัมผัสกับกายกับใจของเรานี่ให้มันชำนาน เมื่อมันทำนานก็ถึงจุดหมายปลายทางนั่นแล้วก็หลงมันแล้วไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเป็นคนเราพบรับพมกันแล้วมืนเราอยู่สุโกโตนี่บางอย่างก็แล้วไปแล้วไปก็มอดไปแล้วป่าก็ปลูกไปแล้ว อะไรที่มันไม่ดีดีขึ้นแล้วเมื่อจอร์นสงสีนเดินไปไปดูวิจารณ์ธรรมข้อช้างก็บอกว่าเออมันเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปแล้วเนอเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเป็นเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปแล้ว ฝนตกน้ำคนเดี๋ยวนี้ฝนตกน้ำก็ไม่คนแต่ก่อนมันคนพอทำถูกมันก็ไม่คนให้น้ำป่าไหลไปทางหนึ่งให้น้ำใสไหลไปทางหนึ่ง่าทำเสร็จแล้วใช้ได้แล้วเจะดกูเก่าแล้วอันนี้ก็เป็นรลก ป, ประธรรม แต่ยังไม่สําเร็จจริงแต่นมม้ำมาทำเน่ยมันสําเร็จจริงให้เหมือนลูกลูบมันมีการชุดโสมต้องซ่อมแซมอยู่เสมอแต่นามไม่ต้องซ่อมแซมจึงไหรเสร็จก็เ็จไปแล้วพ้นไปแล้วเรียว่าไม่มุดหลุ ด, ดพ้นไปแล้ว ก็จาความโรคความกวดความหลงไปแล้วกนจากปัญหาไปแล้วเป็นปัญญาไปแล้วรู้แล้วรู้แล้วสิ่งใดที่เกิดกับกายกับใจรู้แล้วไม่มีจสงไหนที่เอะใจรังเลสงสัยมันบอกมันบอกให้รู้โลบรู้แล้ว ปัา ใ, ใจหรือว่าโลกรุ่นในกองสังขารเป็นปัญญาพุทธะปัญญาตัดรู้ไม่ใช่เหมือนเหมือนปัญญาจากสูตรสำเร็จสากลของโลกปัญญาพุทธะมันเป็นสากลของมนุษย์เหมือนชีวิตคือกายกับใจนี่ไม่เอาอันอื่นมา ศึกษาให้รู้ให้เห็นจนจบจนชิ้นนี่แหละก็ทางนมันคืออันเดียวแต่ในะตรงที่มันหลงมันผิดมันมันก็มีหลายอย่างหลงในความหลงในความทุกข์หลงในความโกรธหลงในความลักลความชังหลงในความคิดหลงในอาการกตา่างๆลงในการเกิดการแจ็บการเจ็บป่วตาย หลงในความทุกข์ทุกที่ใดก็ทุกที่นั่นเรียก ว, ว่าหลงหลงในความหลงหลงที่ใดก็หลงที่นั่นหลงในความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมีที่ใดก็หลงตรง น, นั่นหลงในาการรูปรถเฉียนเสียงก็หลงทุกข้างเวลาลูบเวลา เสียงเวลาโลดเวลาสัมผัสเวลาคิดนึกก็หลงมันหลงแต่สิ่งที่ไม่หลงคื อ, อนเดียวคือรู้นะสรุปล้วเคยมีรู้มีหลงเจอกันทุกคนไม่มีใครไม่เจอก็อจะเดินทางนี้เจอความโองหงอนอนเจอความคิดความสั้นเจอความหลงเหลือสงสัยเจอ ออยต่างๆที่มันอยู่ในดงในป่าคืออวิชชาอาวิชชาคือไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ลูกไม่รู้น้ำ เมื่อไงลูกกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามโลปเกิดอรยสนะเกิดปัจจัเกิดเวทนาเกิดฐานะเกิดอัวทานเกิดภพเกิดชาติเจลามมนะโสกเปรตทุกเวียนว่ายตายเกิดตนเงกันอยู่เรียกวัฏจัอยู่ในกระปาะของไก่ไข่เหมือนไข่งั้นไก่อยู่ในกระปาะไข่ เมื่อเจาะออกไปชัหน่อยเพียนชั่งหน่อยแล้วก็เห็นต่างนอกข้างในไม่หลงต้องไมีรู้มีทุกข์ต้องไม่ไม่ทุกข์ไม่โกรธต้องไม่ไม่โกรธไม่เจ็บต้องไม่ไม่เจ็ไม่เจ็บไม่เจ็บมีตายไม่ต้องมีไม่ตายอย่างนี้อ่ะอันตรงกันข้าม มันมีตรงกันข้ามอย่าจนมันก็หลงมานพ้อมกัดกรไม่หลงใช่ให้เป็นแก้จุดออนตรงนี้ที่มันเกิดกับเราแก้ไขเราจะเป็นคนประเภทไหน ถ้าจุดอ่อนไม่แแคไข่ก็เป็นการบ้านเป็นดินพ่อหางหมูต่อไปเรื่อยๆจะเป็นพบเป็นชาติไปเมื่อมีพบเป็นชาติก็มีการเกิดเจ็บเจ็บตายชนามรณะโกะะศกปฏิบัตทุก์ไปสุดโน้นเกิดกดับกิดดับ จะไววิกรรมจะไวิบากเราจึงแค่จึงเปลี่ยนจึงว่าเรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกไม่เลยจบแก้ไขตลอดเวลาการแก้ไขคือปฏิบัตินะ ก็ตร่ร้อนแก่ผิดให้เป็นเป็นถูกแก่ทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์มันมีรสชาติแต่ถ้าชีวิตบางชีวิตไม่มีรสชาติเั้งนี้ด้านไปเลยก็มีมันมันเปิดเพื่อนมาเหมือนคนสุบุดีนิโควันติดลิ้นติดปาก ลิ้นแข็งคาบนิโขตีนมันติดในปากในลิ้นกินอะไรก็ไม่ค่อยมีรสชาติลี่นก็แข็งฝันก็เต็มไปด้วยคาบนิโขตีนไม่ค่อยจะมีรสหลัตงตาเคยติดติดบุรีเหมือนกัน ก็มาเลิกบุหรี่ไม่สูบนิโคตินก็จางหว่ลดอาหารก็ดีขึ้นลิ่นก็อ่อนลงในเลือดก็ไม่มีนิโคตินอะไรก็มีลดสมผัดได้ชีวิตของเรานี่ถ้ามันติดอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีลด หลงก็คือหลงลูกคือลู่ไม่เห็นรสชาติตรงไหนเพราะเพราะว่ามันหนาเรียกว่าปุถุเฉยในความทุกเฉยในความหลงเฉยในความโกรธไม่อายเมนคนเมาเล่าไม่รู้จกักอายคนเมา ตัวเมาตนเมาโลกก็ไม่รู้จักรถของโลกเหมือ น, นว่าเห็นกงจักเป็นดอกพวงเอาคงแจกมาผลหัวตัวเองก็ยังอยู่ได้เพราะไม่เห็นรถชาติของของโลกให้ทุกอยู่ได้ให้ทุกอยู่ได้ ไม่อายให้โกรธอยู่ได้ไม่อายถ้าเรามาขขดเกาสักหน่อยให้ลู่ไ้ลู่ไปลู่ไปขขดเกาสักหน่อยมันจะสัมผสัสได้ดีและหวางหลงระหว่างรู้นึกซึ่งกับกันนั้นตา ที่มันขมวกันดูอะไรทะลุทะลวงนะหัดก็รู้คนํำนานในการของบ้านของเรือนทำนานในการอาชีพไปไล่ไปนาเคยสัมผัสกับที่นาสัมผัสกับบรรยากาศที่นา นาสี่สิบห้าสิบไล่เรประเหยียบพี่หนาของตนก็มองไปก็รู้แล้วว่าอะไรมาเคลืออะไรไปดูจุดเดียวก็รู้ไปรอบๆถ้าดูน้ำเก็บน้ำขังข้าถตาน้นาแปลงไหนมันแห้งแป้งไห น, น, หไหนมันเต็มมันรูนแสดงว่า มันต้องรั่วที่นั้นไม่ต้องไปหาเดินไปปิดจุดที่มันอ่อนเราก็ปกติขึ้ น, น้ามันรู้จุดอ่อนจุดแข็งของที่เราทำงานบางทีละหัส ก็รู้คนของบ้านของเรือนมันมีรหัสนอนกลางคืนตาไม่เห็นแต่ว่ามีรหัสมีวัวมีควายมีเป็ดมีไก่มีรหัสรหัสในบ้านเราเป็นยังไงรหัสมันผิดปกติมาเกิดอะไรขึ้น บางทีเสียงวัวเสียงควายก็บอกอย่างเราอยู่ที่นี่ก็มีรหัสบรรยากาศเสียงไก่เสียงนกเสียงลมอากาศสัมผัสมันเย็นมันร้อนอย่างไงควรจะเป็นเวลาไหนรหัสมันบอก ไม่ต้องตั้งนาฬิการหัสมันบอกพอนอนตื่นขึ้นมาก็ดูตัวเองว่าเวลานี่คงจะเป็นเวลาเท่านั้นถ้ามานอนตื่นไวๆไก็มันก็ชวนให้นอนอกีกมันบอกถ้าลองหัดเล่าก็ชำนานบนบาปมันก็บอกรหัสเหมือนกัน อะไเป็นบนุญอะไรเป็นบาปแค่ไขวัวควายของมา้านของเรือนคนลักบัวลักควายคนลักข้าวลกของบางทีมันก็ไม่กลิน่นกลิ่นคนอื่นไม่เหมือนกลิ่นคนในบ้านบรรยากาศก็ไม่เหมือนกันบางทีการเดิน ก็เหมือนไม่เหมือนกันได้เย็นเฉียงเดินกลางคืนไม่เหมือนกันเดินแบบนี้ขึ้นบ้านแบบนี้ไม่เหมือนกันผิดปกติหมาขึ้นบ้านก็นผิดปกติแมวขึ้นบ้านก็นผิดปกติคนขึ้นบ้านก็นผิดปกติตเราชนานาญในการคองบ้านของเรือน เสียงบางเสียงก็ผิดปกติกลิ่นบางกลิ่นก็ผิดปกติได้นี่เรามีแค่นี้เราต้องรู้ตัวเราจุดอ่ออยู่ตรงไหนมะไจะชำนาญเรียว่าปราลิญญานั่นปันหะก็เป็นป่าริญญาปัญญาก็เป็นปราลิญญาอะไรผิดไหไรถูก บางทีสังเกต ด, ดูดีๆนะเวลาร่างกายสุขภาพการอยู่การกินมันก็บอกถ่าสังเกตจากตัวเรานั้นบอกผิดบอกถูกการอยู่การกินอาการต่างๆปัจจัยต่างๆมันบอกถ้ารู้จักช่วยตัวเอง แล้วก็ฉลาดเคยสังเกตเวลาเราอาภาษอย่างหนักการกินอะไรไม่กินอะไรต้องกินอะไรบางอย่างก็ต้องขยันบางอย่างเจ็ดขั้นต้องขยัน บางอย่างมันไม่ต้องการแต่ต้องเพยียนพยายามบางอย่างจะปล่อยทิ้งเสียหายถ้าพยายามตรงที่มันอ่อนแดก็ก็ดีเช่นตอนหนักที่สุด หลังจากให้กีโมข้างที่หนึ่งที่สองมันหมดมันตายเชื่อโรคมันตายชีวิตเราก็ตายจะทำไม่ช่วยตัวเองคนเดียวไม่ได้จะเรียกใครก็ไม่มีเสียงเอ้ยเอาเมือ่อโคตรตกระดาน เพียงนอนจันคันคิดนอนอยู่ข้างๆเลยลุกขึ้นมาจับมือจับที่เสียงมาถูกมือเราถูกมือเราก็ลุกขึ้นหลังตาก็หมดหมดแล้วเหลือนิดหน่อยเพียงกิรลยานิดหน่อย แต่มองเห็นว่ามันไม่มีแรงไม่มีอะไรเหลือมองเห็นว่าเห็นลังนกเห็นลังนกที่เขาซื้อมาให้มันมันคิดว่าหลังนกก็พอช่วยทันได้หรือเปล่าไห้จอนคิดเอาหลังนก เอามาให้ดูดไม่มีแรงดูดเรามาให้กินก็เกืนไม่ได้ถ้าไม่นิดหน่อยแรงกืนไม่มีถ้าเป็นตุ้นเป็นก้อนต้องเป็นน้ำมาดูดออกจะเอาทเทาใส่ไอจาร์ตุ้มเทใส่เก้าก็เอาไม่ได้บอกว่าเอาใส่หลด แต่พูดไม่ออกอนที่ดูภาษาใบก็ทําตามเอาใจหลอดให้ดูดค่อยๆดูดมีเพียงพยายามขวจะหมดขวดหนึ่งใช้เวลาพอสมควรก็พยายามก็รู้จักก็ดูดลองนุหมดหมดขวดหนึ่งก็หลับไปก็จะมีแรงบ้าง เวลาพื้นฟูขยันแบบหนึ่งขยันแกงแขนจาโ น, นดเป็นคนช่วยขยันตื่นขยันดาบน้ำไม่จะโนดดาบน้ำ มันขยันอะไรไม่รู้มันเป็นธรรมชาติตื่นขึ้นมาต้องอาบน้ำทุกวันข้อาบน้ำขยันขึ้นไปแข่งแขนบนดาดฟ้าบนตึกชั้นสี่ให้จั น, นดรนโมขึ้นไปแข่งแขน แส ง, งแสงแนแล้วแสงอาทิตย์ขึ้นมีแสงแดดบนดาดฟ้ามันก็ชอบแสงแดดอยากเอาหลังปูลงไปบนพื้นปูนดาดฟ้าดานนอดบอกเอาผ้ามาปูไม่ต้องปูอยากเอาอหลังไปสัมผัสกับความร้อน พอมันได้สัมผัสกลมลอนแสงแดดฝนหลาดฟ้าต่างสวนหลุมพินีอาทิตย์ขึ้นเห็นอาทิตย์เห็นดวงอาทิตย์หน้ายแสงแดดถึงได้ไหวเพราะมันตึกสูงได้สัมผัสกับแสงแดดนั้นบอกนล้วคนป่วยอย่าลืมแสงแดด ในที่อาหารบอกผิดบอกถูกได้ชีวิตของเราเนี่ยก่อนที่ปุงอาหารก็ต้องการมีศรัทธาจะช่วยเราแต่มันรับไม่ได้ก็มีเขาก็บังคับให้นี่มันดีนะดีนะก็ดีของเขาแต่ว่ามันเอาไม่ได้มันบอกเดี๋ยเขาก็บังคับเอาเอาเอา ก็เอาตามที่เขาสั่งถ้าเราไม่เอาเขาก็เขจะช่วยเราอยู่เอาเอาไปก็ววกออกววกแล้วไม่ไม่คลายออกมาอมไว้นั่งกินข้าวโดยกันกับหมูจอนต้งจอนโนดจานคันคิดก็เขาจะลังเกียดอมไว้กืนเข้าไปอีกพยายามกืนอฮา <laughs> อมไว้ ผมว่าถ้าจะข่รอามาก็ขเขาจะหลังเกียดเราคืนเข้าไปอีกอุทสาห์ทท่าทำทางอะเมื่อไหร่เพื่อนจะยิมนาะเมื่อไหร่จะยิ่มเน้ะขนขวยที่เขาตักไงแล้วไม่เอาเส็จเลยมันก็ไม่เอาพยายามเอาหมดเราก็รีบลุกไป อวกออกใส่อ่างล่างมือหมดไม่เหลือนลยเดี๋ยพยายามให้เอาอีกก็บอกว่าไม่ได้เขามีศรัทธานะเขาต้องการอาหารมาจากเอเดมอนฟาร์ม <c oughs> อย่าง <c oughs> ดี คิดถึงเลมอนวามข้าวบาเลยเคยได้กินไหมไม่คีข้าวบาเลยะเคยไหมข้าวบาเลยดูสึกตอนได้กินข้าวบาเลเนะี่ยถ้าไม่ป่วยคงไม่มีโอกาสกินข้าวแบบนี้เนอะ ขอบคุณความป่วยที่มีโอกาสจินข้าวแบบนี้บาลีรู้สึกว่าสบายสบายอาหารจากชีวาจิตคนิว่าจิตของคนอะไรร้านเบิกม่านแล้วเ อ, อกไปช่วย มันบอกอะไรที่มันถูกมันผิดมันบอกขยันเดี๋ยวนี้ขี้เกียจเแล้วขี้เกียจแบบน้ำตอนเช้ามันเป็นอะไรไม่รู้เต่ตอนพักพื้นมันขยันขยันไม่อาบไม่ได้มาอยู่นี่หนาวหนาวก็ต้องอาบแต่เดี๋ยวนี้ขี้เกียจแล้วบางทีจงกรมบี้ยเอาเหงือซึมยังไม่อาบเลย เดี๋ยวก่อนมันขยนนะเดี๋ยวนี่มันขี้เกียจก็ยันดาบน้าพอยันออกโยคะแจ่งแขนเดี๋ยวนี้ก็ยังเอาไว้ดูโยคะวิ่งเดินไวัยวัยมันรหัสมันบอกลรหัดผิดรหัสถูกก็บอกกามันบอกใจมันบอกนะ บรรลุธรรมอะไรที่ไม่ใช่บรรลุธรรมมันบอกสมผัดมันชินมีความเป็นอยู่อย่างปกติสุขด้วยตลอดเวลาถ้าผิดปกติไม่ได้มีะหัสมันบอกทำไมเราจังตัวเป็นผู้ผู้แพร่แพรสิ่งที่มันถูกไม่อยู่นะ่ะ ไปหมกมุ่นอะไรเพี้ยนละอุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วเพียนป้องกันเอาปสนยังม่เกิดไม่เกิดขึ้นอีกเพียนละจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วให้หมดอยตุกนิดหน่อยไม่เอาเด็ดขาดเพียนละให้ปกติไม่ใช่อันนี้ปกติของชีวิตเราอยู่ปกติตลอดเวลา ผิดปกติไม่เอาเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีความเพียนตรงไหนไม่ใช่ว่าหมกมุน่นสักทีคิดก็คุณคิดอยู่ไม่คุณคิดผิดเบ๊บโลสันติกกลับมาตกปกติมันมีหลัสฐานมันจานานมันสอนความผิดมันสอนความถูกมันสอน ผมทุกข์มันสอนคมไม่ทุกข์มันสอนมันชำนาญในเรื่องนี้การทุกตนสอนตอนจงมีความเพียรเรื่องเผาเฉลตมีสติมีสำเฉยสำปัญญาตอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้อยู่แล้วเป็นสูตรอยู่แล้ว แต่เราไม่คยออกมาประกอบเป็นข้อบัญญัธรรมความหลงยังให้หลงความโกรธยังให้โกรธความทุกข์ยังให้ทุกข์ไม่สอนขณะที่หลงขณะที่มันโกรธขณะที่มันทุกขนะ์นั่นไม่สอนแล้วก็เป็นลอยเป็นตาเอาไว้จะให้มีลอยมีตาสอนมันให้มัน โกจะเสมอถอนความพอใจถอนความไม่พอใจมีสติเลยอยู่มีสติอะไรก็ตา่างให้เราใหเราง่ายๆตรงนี้การการถูกตนสอนตนไม่ใช่จะบรรลุธรรมเมื่อนั่นเมื่อนี่ไม่ใช่แบบนั้นได้เวลาใดมันลงรู้ มันพอใจมันไม่พอใจรู้นี่คือการมารู้ธรรมมันรู้ธรรมไม่ใช่เหมือนกับน้ำหลากอาจจะเป็นน้ำซึมก็ได้น้ำซึมอ่้น้ำซับแน่แมมากก็มีประโยชน์ตลอดเวลา น้ำไหลหลากท่วมมาอาจจะไม่จริงเสมอโบโนัมทรัพย์ปัญญาเนี่เหมือนโบโนัมทรัพย์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่เหงืไม่แห้ง อย่างลดน้ำต้นไม้ถ้าน้าหยดดีกว่าน้ําลดมันชวดร้อนชวดหนาวมากบางท่วมบ้างแห้งบ้างชวดร้อนชวดหนาวมัอนชีวิตของเราถ้าน้าหยดมันจะสมบูรณ์เหมือนน้ทรับเหมือนคนทําความเพียรบางทีก็โม m b จน ศรัทธาไม่รู้จกอะไรบางทีก็เหืออแท้งมันใช่ให้สม่ำเสมอขอเอาชีวิตไว้ปกติสุขตลอดเวลาแม้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ปกติสุขตลอดเวลาแม้จะมีเขาก็เช่ายาเยก็ ก็ปกติได้ตลอดเวลาแต่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็ปกติจุกได้ตลอดเวลาเพราะแค่ไขจุดโดนจุดดนอะไรยิ่งเกดิดขึ้นแค่ไขไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปปล่อยเชงว่าอะไรที่มันทำเห้ อ่อนแดดทำให้หลงก็เพิ่มแสงอ่อนแดดตรงเพิ่มแสงตรงที่มันอ่อนแดดตรงอ่อนแดดควบอ่อนแดดทำให้มีความเพิ่มแขสงมันก็เชื่อได้ฝึกตนสอนตนอย่าเนี้แต่แพร่กับแพร่ที่ดีอย่าแพร่แบบปรลชัยบางทีเราก็เหนื่อยนะ เอาเหนื่อยมาเป็นชัยชนะเราจะพักผ่อนเพื่อสู้ไม่ใช่พักผ่อนเพื่อพ้าแพ้พักผ่อนเพื่อจะสู้น้าหนึ่งอาจจะอ่อนแน้าสองอาจจเส่ยงแข็งขึ้นมา ย, น ย, ย, ยิ่งเหนื่อยยิ่งยิ่งเหนื่อยจะพักเท่านันก็ได้กําลังขึ้นมามากกว่าเก่า พักผ่อนเพื่อจะต่อสู้นอนก็ได้นั่งก็ได้เล่นเล่นก็ได้ความเพียนไม่ใช่ไม่ใช่บจะเดินไม่หยุดเคลื่อนไหวไม่หยุดบางทีการเดินการปรลลบกความเพียรอยู่ในอีบุตรห อาจจะไม่ได้บรรลุธรรมโนโกโอกรอบาจจะได้บรรลุธรรมก็มีเหมือนกันเช่นพระอาหนุ์น่ายกบไม่ได้บรรลุธรรมเลยนั่งสมาธิตั้งแต่ย่ำค่มจนถึงจะสว่างแสงเงินแสงทองขึ้นเี้งเอาเพราะจะทำสังขานาหมู่สงเชียให้ปฏิบัติทำให้เป็น เจขะธรรมมานอนเป็นพระปุถุชนอยู่แต่มีความรู้มากเชี่ยวเฉลิมหมากระสับะสเชี่ยวเฉลนอานอนให้ตาความเพียรจะเป็นละละหันไม่หลับไม่นอนหนั่งเห็นแสงเงยแสงทองขึ้น ว่ตัวเองหมดแรงจะไม่ได้เงียบซะหน่อยขอเงียบซะหน่อยเพื่อจะสู้ในวันใหม่จะไปวางใจหลงเอนตัวหลงใจงหมองหงอยไม่ถึงหมอนบรรลุธรรมขนาดนั้นเลยตั้งการพักการสบายนั่งอมบิ้มโดตัวเองถ้ามันปกติกระดูไป ลู่ไหใช่ปกติเหมือนสารถีฝึกมามันหดัดไปแล้วก็เพียงจับสายบังเหียนเฉยๆมาก็วิ่งไปเองนักขี่ม้าที่ดีม้าก็เชื่องง่าย นักเล่นว่าวที่ดีว่าวก็ไม่ตกง่ายถ้าเล่นไม่เป็นว่าวก็ตกนักขี่ม้าที่ดีก็วิ่งอยู่ในระดับระดัแบบเราต้องการได้เพียงเรากระดูกกระดิกนิดหน่อยนิดหน่อยเพียงแต่กระดิกเชือกสช้บังเหียนนิดหน่อยไม่ต้องจับสองมือสองมือเลยนิดหน่อยเขาก็โล เราก็ฝึกเราได้เช่นนั้นเหมือนกันบานทีก็นั่งอยู่นอนอยู่อยูให้ควงพภาวะไม่มีไม่เป็นอะไรไป <c oughs> ไปเนี่ยเรียกว่าอาจจะนอกรูปแบบก็ได้ไม่ใช่ว่านั่งซานใช่ไหมตลอดเวาเดินจงกมตลอดเวลาย่อนเพื่อจะตึงตึงเพื่อจะหย่อน มันเล่นแล้วถ้าลมมันดูดแรงก็ปล่อยออกไปถ้าดึงไว้มักเชือกมันจะขาดปล่อยกถ้าเชือกมันหย่อนไม่ดูดมือก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามานะเล่าจะไม่ตกถ้ามันเชือกหย่อนเรไม่ไม่ดึงเข้ามาเว่าก็ตกง่ายถ้าเวลามันล้มดูดมากก็ดึงขึ้นไว้ก็หย่อนเชือกไว้เชือา มันมีลมมันไม่แน่ความคิดวิถของเราแล้วก็เหมือนในช่วงที่มันมันปกติก็อย่าไปรีบมันมากกันไปเหมือนม้าที่วิ่งดีแล้วไปตีไปเชลียร์มันมันก็ทิ้งทิ้งงานเหมือนหวดเตรียมเกียนตดโคนลงไปมันก็เดินอยู่เต็มพีแล้วแต่คนขับมันไม่เป็นว่าตี๊วันตี๊วันมันเก็บตัวเนี่ยก็ทิ้งไปเลยแล้ว มันติดคนทีเดยก็ตีมันทุกทีทั้งๆที่มันจะเอาอยู่เอามือรวบหลังรวบขอรวบขอปล่อยปล่อยปล่อยปมันเหนื่อยก็เอาไปล่อยปล่อนี่วัวมันลู้อยู่แล้วแต่คนขับไม่เป็นตีโอตีโอทกดเจ็บตัวทิ้งแอกไปเลยติดที่เดยก็ทิ้งไปเลยแหละเพราะถูกตีทุกทีเอชีวิตเรา บาทิทีขื่นลับนะถ้าทำไม่เป็นน ะ, ะสะงคนเจลจากับ่าพ้อมกัน